ผมเฉลยแบบเฉลยก่อนเลยนะการกระพริบของดาวเนี่ยไม่ได้เกิดจากตัวดาวนะหมายความว่าถ้าพวกเราขึ้นไปอยู่บนดวงจันทร์แล้วดูดาวบนดวงจันทร์ดาวไม่กระพริบ You're listening to the Standard Podcast the e o i n g p e r i for your ears ด้ดในโลกล้วนฟิสิกส์พอดแคสต์วิทยาศาสตร์เนิร์ดเนิดที่จะพาไปเปิดโลกฟิสิกส์จากสิ่งรอบตัว เราอยู่กันในเมืองนะคะมองท้องฟ้าเห็นดาวได้คืนไหนนี่ถือว่าคืนนั้นโชคดีนะคะทีนี้พอแห็นหน้ามองขึ้นไปเนี่ยบางทีดวงดาวแสงมันมันไม่ได้สะเทียมตลอดเวลาบางทีมันเพิ่มเหมือนมีกระพริบเล็กๆ เ, เรามาโนไปเองหรือเปล่าหรื อ, อยังไงนะคะวันนี้ลองมาทําความเข้าใจเรื่องนี้นะคะกับใดๆในโลกโลนฟิสิกส์นะคะเช่นเคยอยู่กับฟางรัทโรจิตพนาค่ะและผมตองแตงอัดวรโรจันทมาทครับที่ปองไปครับไม่ได้มโนไปเองใช่ไหมคะเวลาเรามองดาวแล้วบางจังหวะมันเหมือนมีแบบ กระพริบรีบระยับเลย ม, ม, มันกระพริบมันกระพริบฮนะคือดาวที่เราเห็นบนท้องฟ้าเนี่ยมันมีการกระพริบแสงอยู่แล้วมันกระพริบเป็นส่วนมากด้วยใช่อืมเอา้าแต่ว่าอะไรทําให้มันกระพริบอะคะพี่เออเรื่องเนี้ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็เด็กๆเกนะ่ยอย่างบ้านผมเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดอยู่ในเอ่อเป็นชนบทเวลาออกไปดูดาวตอนกลางคืนนี่จะเห็นชัดก็จะเห็นว่าดาวเนี่ยตอนกลางคืนหลายดวงเลยมันกระพริบ แต่ไม่ค่อยมีใครมาอธิบายให้ฟังว่าเพราะอะไรเนาะเอาวันนี้มาชวนกันตั้งคําถามก็แล้วกันว่าทําไมดาวมันถึงกระพริบนะแต่ก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องบอกว่าในหนังสือเรียนหลายๆเล่มนะฮะมักจะเขียนว่าดาวเคราะห์เนี่ยดาวเคราะห์ซึ่งไม่มีแสงสว่างในตัวเองนะครับโลกเป็นดาวเคราะห์อย่างนี้ใช่แต่ดาวเคราะ์ที่อยู่บนท้องฟ้าที่เราเห็นตรงกลางคือเช่นดาวศุกร์อังคารพฤหัสเสาร์อะไรพวกนี้ไม่กระพริบดาวฤกษ์ถึงจะกระพริบ หนังสือเรียนหลายๆเล่มเขียนแบบนั้นซึ่งผมจะบอกว่าจริงๆแบ่งแบบเนี้มันค่อนข้างล่อแหลมตรงที่ว่าถ้าลองดูดาวจริงๆนะอันนี้ผมลองดูมาแล้วถึงพูดได้ดาวเคราะห์มันก็กระพริบแต่ อ, อาจจะไม่เท่าดาวเรือกหรอกอแต่ว่ามันกระพริบได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยการแบ่งแบบเนี้บางทีเราในทางปฏิบัติเราอาจจะเผลอสับสนได้แต่ก็อาจจะพูดได้เหมือนกันเพราะว่าดาวเคราะห์เนี่ยถ้าจะให้เทียบจริงๆมันก็ ก, กระพริบน้อยกว่าดาวเรือจริงๆนะ แล้วมันเกิดจากอะไรคะทำให้มันไม่เหมือนกันคืออย่างนี้ก่อนเลยผมเฉลยแบบเฉลยก่อนเลยนะการกระพริบของดาวเนี่ยไม่ได้เกิดจากตัวดาวนะหมายความว่าถ้าพวกเราที่อยู่เป็นมนุษย์โลกเนี่ยขึ้นไปอยู่บนดวงจันทร์แล้วดูดาวบนดวงจันทร์ดาวไม่กระพริบอือแปลว่าต้องเกี่ยวกับ <c oughs> ชั้นบรรยากาศหรืออะไรบางอย่างที่ของโลกเราไหมคะใช่ คืออากาศที่เรามองเห็นว่ามันใสครับมันใสจริงแต่ถ้าอากาศมันหนามากๆเนี่ยมันจะเริ่มมีความไม่ใสละมันเริ่มส่งผลถึง เ, เลเยอร์ของมันเริ่มส่งผลละหมายความว่าไงหมายความว่าอากาศที่เราเห็นเนี่ยมันใสมากอากาศที่เราเห็นเนี่ยมันมีความหนาไม่มากนะแต่เวลาเรามองดาวดวงนึงเนี่ยความแสงจากดาว น, นั้นจะเดินทางมาถึงลู ก, กตาเราเนี่ย <Weg y. S 1> มันผ่านบรรยากาศของโลกที่ระยะทาง เยอะมากๆเลยนะฮะดังนั้นแต่ละส่วนของบรรยากาศโลกเราเนี่ยมันจะมีความหนาแน่นไม่เท่ากันละบางส่วนมีอุณหภูมิต่างกันอะไรต่างกันดังนั้นตัวมันเนี่ยจะทำตัวคล้ายๆกับแก้วหรือคล้ายๆกับสระน้ำก็ได้ที่มันมีการกระเพื่อมไปมาดึกๆๆๆกดอยู่แล้วเราลองจินตนาการครับว่าถ้าเราไปสาว่ายน้าเอากลางคืนแล้วมีมีสายไฟเปิดขึ้นมาจากก้นสระ แสงนี่มันก็จะกระพริกบกระเพื่อมบึบบึบบึบบน้ำคลื่นน้ําต่างๆใช่ดังนั้น<ม>การกระพริบของดาวอะไม่ใช่ว่าตัวดาวมันกระพริบแต่เป็นผลมาจากชั้นบรรยากาศของโลกเราที่มันก่อกวนแสงของดาวทําให้มันกระพริบต่างหาก<ม>ดังนั้นอย่างที่บอกถ้าผมไปดูดาวบนดวงจันทร์ซึ่งดวงจันทร์เนี่ยเทียบกับโลกเราก็ถือได้ว่ามันไม่มีชั้นบรรยากาศ<ฮ>ดาวจะไม่กระพริบลอ แต่ทีนี้เราอาจจะถามต่อให้ลึกซึ้งขึ้นว่าเอ้ยแล้วทำไมดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ไม่กับพิบอืมนัม่นสิถ้าเราใช้หลักว่าดาวเคราะห์ดา ว, ดาวเลิกต่างๆเนี้ยมันก็น่าจะหลักการเดียวกันไหมใช่คือทุกอย่างมันควรจะกับพิบสินนะคาตอบจริงๆก็คือว่าดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์เนี่ยมันเป็นแหล่งกําเนิดแสงที่ใหญ่มากถ้าจะพูดจริงๆมันกับพิบแต่ว่าแสงที่เดินทางเนี้ยฮะเวลามันเราเรามองเห็นแหล่งกําเนิดแสงที่ใหญ่เนี้ย ต่อให้มันกระพริบหรือโดนเฉะเอกไปบ้างก็มีแสงส่วนอื่นโดยเฉลี่ยแล้วมันเข้ามาเติมเต็มกันอยู่เสมอทําให้เราแทบจะเห็นมันไม่กระพริบเลยอลองนึกจินตนาการนี้ครับว่าถ้าผมเอาไฟฉายนะไฟฉายเนี่ยฉายเข้าไปที่ใดที่หนึ่งบนโต๊ะก็ได้แสงจากไฟฉายเนี่ยต่อให้มือเราสั่นแค่ไหนก็ตามอะฮะแสงจากไฟฉายก็ยังเป็นก้อนๆ อ, อยู่แทบจะไม่เห็นการ ส, สั่นนั้นเลย นะหรือโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยความเข้มแสงไฟฉายที่ปรากฏอยู่บนโต๊ะมันก็เท่าเดิมค่ะแต่ถ้าถผมถือเลเซอร์พอยเตอร์ที่มีลักษณะเป็นจุดฉายลงไปสั่นเยอะเลยมือสั่นนิดเดียวเนี่ยจะสั่นให้โดนจุดจุดหนึ่งเนี่ยโอ้มันกระเพื่อมละนึกออกไหมฮะแต่ในขณะที่แสงไฟฉายเนี่ยผมฉายลงไปที่จุดจุดหนึ่งอะต่อให้สั่นแค่ไหนอะมันก็ยังแสงรอบๆบที่รอบๆบจุดจุดนั้นมันก็ยังยังเติมเต็มกันอยู่ทําให้โดยรวมแล้วเลยจุดจุดนั้นก็ยังเห็นแสงไฟฉาย สว่างเท่าเดิมแทบจะตลอดเวลาแทบจะไม่มีการกระพริบอะไรเลยะนะมนุษย์เราก็เป็นจุดจุดหนึ่งที่รับแสงจากจากสิ่งนั้นดวงที่กับดวงจันทร์ก็เหมือนไฟฉายที่แสงมันออกมาเป็นก้อนใหญ่ๆเลยนะแต่ในขณะที่ดาวเร่บที่อยู่ห่างไกลามากๆเนี่ยเนื่องจากมันอยู่ไกลามากๆดังนั้นมันเหมือนแหล่งกําเนิดแสงที่มีลักษณะเป็นจุดแล้วกว่าแสงจะเดินทางมาที่ลูกตาเราเนี่ยมันเปรียบได้กับเหมือนเลเซอร์พอยเตอร์ที่ชี้มาอย่างเราอพอมันโดนสายนิดนึงหรือรบกวนนิดนึงเนี่ย เราเริ่มเห็นมันกระพริบซึ่งการกระพริบก็คือแสงแทนที่มันจะมีความสว่างเท่าเดิมมันลดลงบ้างเพิ่มขึ้นบ้างใช่ไหมมันเป็นแบบถูกรบกวนจากจากชั้นบรรยากาศโลกอ้าวแล้วดาวเคราะห์ละที่ป่องแฝงอะไรทําให้กระพริบน้อยกว่าเยอะกว่าทําไมมันถึงโหถาได้ดีทํามได้ดีมากครับนักเรียนคือว่าจริงๆแล้วดาวเคราะห์เนี่ยมันมันกระพริบนะแต่ผมบอกมันกระพริบน้อยกว่าจริงเพราะว่าดาวเคราะห์มันอยู่ใกล้เรามากกว่า พราะมันอยู่ใกล้เรามากกว่าเราเห็นมันเป็นวัตถุที่มีขนาดใหญ่กว่าได้นิดหน่อย mm hmm. และแสงอื่นๆมันก็จะมันอาจจะไม่ถึงขั้นเป็นแสงไฟฉายแล้วมันไม่ได้เล็กแบบเลเซอร์พเตอร์มันอาจจะเป็นไฟฉายขนาดเล็กๆมันกระพริบแหละแต่กระพริบน้อยกว่า mm hmm. นะฮะและที่สำคัญคือผมให้ลองทาดูแล้วกันว่าเวลาเราดูดาวนะครับดาวที่อยู่กลางศาีรษะกับตอนที่มันอยู่ตรงขอบฟ้าอันไหนกระพริบมากกว่ากันหรือกระพริบเท่ากัน นี่คือ q u i ค quiz ท้ายข้าวเรียนวันนี้ใช่ลองเดาสิคะไม่ไม่รู้เลยอ่ะมันมันต่างกันอ๋อแต่ว่าถ้าเกิดว่ากลางศรีษะมันน่าจะไกลกว่าป่ะความไกลความใกล้เกี่ยวไหมคะลองคิดดูลองคิดคิดว่าคิดว่าอันไหนครับยากจังเลยเดาคิดว่าไอ้ที่อยู่ขอบฟ้าแต่หลักการตะกี้ถูกนะหลักการถูกแล้วแต่ทีเนี้ยความยากก็คืออะไรใกล้กว่าวะไงเนี้ยไม่รู้และเดาว่าเอ๊ะที่ขอบฟ้าน่าจะน่าจะใกล้กว่าเลยเปล่า จริงๆคืออย่างนี้น้องฟางลองนึภาพก่อน <c oughs> คือโลกของเราเป็นเหมือนกับลูกบอลแล้วกัน<ะ>แล้วชั้นบรรยากาศก็เป็นเหมือนวุ้น บ, บางๆใสๆที่หุ้มอยู่ทีนี้ถ้าเรามองขึ้นไปกลางศีรษะเนี่ยมันก็ขึ้นไปนิดเดียวก็ทะลุชั้นบรรยากาศเลยแต่ถ้าเรามองแบบเนี้ยมัน <c oughs> มันผ่านรัศมีของโลกกว่าจะแตะขอบชั้นบรรยากาศดังนั้นอากาศที่มองบริเวณขอบฟ้าเนี่ย นึกภาพบอกไหมฮะคือถ้าผมจะจะพุ่งขึ้นไปเนี่ยผมก็ขึ้นไปตรงๆดังนั้นชัน้นบรรยากาศของโลกก็ออกไปตรงๆก็หลุดละนะหลุดจากชัน้นบรรยากาศละแต่พอผมจะหลุดจากชัน้นบรรยากาศถ้าพุ่งไปทางเนี้ยโอ้โหกว่าจะหลุดนานเลยเพราะมันต้องผ่านแผ่นดินโลกไปอีกอ ม, มันผ่านความโค้ง ข, ของโลกไปอีกกว่าจะไปสัมผัสชั้นบรรยากาศดางนั้ยต้องขอบฟ้าเนี่ยนะฮะมันชั้นบรรยากาศมันจะหนาดังนั้นดาวที่ตรงขอบฟ้าเนี่ย มันฟันฝ่าชั้นบรรยากาศเยอะมากดังนั้นแสงมันจะกระพริบมากกว่าลองไปสังเกตดูได้แต่พอขึ้นมาอยู่กลางฟ้าเนี่ยการกระพริบมันจะมันจะน้อยกว่าตรงขอบฟ้าเล็กน้อยอนะครับ ค, นนค่ะนี่เป็นคําถามเช็คความเข้าใจโอเคอารเทซเดี๋ยวอัดใหม่นะคะตอบใหม่เราเล่นทีนี้แล้วความรู้เรื่องนี้เนี่ยมนันเอาไปต่อยอดอะไรได้ไหมคะพี่กับเรื่องของดาวกระพริบหรือชั้นบรรยากาศต่างๆ่างเานี่โอ้เออการประยุกต์ใช้และความรู้เรื่องนี้มีประโยชน์ไหม ผมบอกเลยมีประโยชน์เพราะอย่างที่บอกครับการที่ดาวมันกระพริบเนี่ยถ้าเราดูแบบบนโลกเนี่าอาจจะรู้สึกมันโรแมนติกกระพริบเหมือนหิงห้อยเลยไฟเนี่ยมันสว่างอยู่ดีๆพอไปร้านข้าวอยากให้มันโรแมนติกก็ไปทํามันกระพริบเป็นจุดๆใช่ไมปุ๊ปุ๊บปุปุ๊บมันดูแบบมีลูกเล่นอดาวที่กระพริบเนี่ยมันดูโรแมนติกดูสวยงามแต่ในทางดาราศาสตร์เนี่ยบางทีนักดาราศาสตร์ก็ไม่ค่อยชอบเพราะอะไรรู้ไหม เพราะเท่ากับว่าเราเห็นมันไม่ค่อยชัดด้วยแล้วข้อมูลต่างๆมันถูกรบกวนดังนั้นการกระพริบของแสงดาวเป็นสิ่งที่นักดาราศาสตร์พยายามหลีกเลี่ยงนะอมันมีเทคนิคหลายอย่างที่นักดาราศาสตร์พยายามทําเพื่อปรับจูนค่าการกระพริบนี้บนโลกนะแต่ก็ทําได้อย่างมีขีดจํากัดอีกทางหนึ่งก็คือเราใช้การไม่อยากให้มันกระพริบเว้ยอยากจะรับแสงเต็มเก็บข้อมูลได้มากที่สุดเราก็เลยพยายามส่งกล้องโทรทัศน์ออกไปนอกโลก เพื่อที่จะได้ให้ดาวที่อยู่นอกชั้นบรรยากาศเนี่ยมันที่กล้องโทรทัศน์อวกาศเห็ น, นมันจะไม่กระพริบดังนั้นเราจะเห็นแสงมันอย่างไม่เต็มหน่วยจ้าแบบนั้นดังนั้ น, น, นความรู้เรื่องนี้ก็ทําให้เรารู้จักธรรมชาติของชั้นบรรยากาศเราว่ามันเป็นอย่างไรอะไรพวกนี้นะค่ะอย่างนี้แปลว่าถ้าเราอยากจะสํารวจดาวเนี่ยก็ต้องส่งกล้องออกไปนอกโลกตลอดเลยะคะ่ะอืจริงๆก็กล้องส่วนใหญ่ถูกส่งออกไปนอกโลกและโครจร อ, อยู่รอบโลกซึ่งไม่ ถูกชั้นบรรยากาศรบกวนแบบนี้ถือว่าถือว่าดีฮะแต่ก็มีช่วงคลื่นบางช่วงที่เอาไว้บน โ, โลกก็ดีแล้วเช่นกล้องโทรทัศน์แบบวิทยุกล้องโทรทัศน์วิทยุเนี่ยคือคลื่นวิทยุเป็นคลื่นเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่คลื่นมันยาวมากนะครับดังนั้นเนี่ยชั้นบรรยากาศมันไม่ค่อยไม่ค่อยจะไปรบกวรบกวนมากแล้วและที่สําคัญคือบางทีการสื่อสารของมนุษย์เราเนี่ยมันมีคลื่นวิทยุ กระจายอยู่ตามอากาศอยู่บางทีมันไปลบไอ้พวกนี้รบกวนกล้องโทรทัศน์วิทยุเนี่ยบางทีเขาจะทําให้แตกต่างเข้าไปคือมันมักจะอยู่ตามตามป่าตามเขาตามหลืบตามร่องตามหุบอะไรพวกนี้ mm hmm. นะฮะมันจะไม่ถูกส่งออกนอกโลกมันจะอยู่ตามหุบตามแบบหุบเขาปา่าลึกๆอะไรพวกนี้ที่มันจะไม่ถูกคลื่นวิทยุ บ, บนโลกหรือกิจกรรมบนโลกมันดูเราลบกวนใช่ดัง น, นั้นก็บอกได้ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกล้องโทรทัศน์ถ้าอยากจะเห็นดาวชัดๆหรือเก็บข้อมูล ก็มักจะถูกส่งออกนอกโลกแต่ก็มีการสังเกตการหลายอย่างที่เราไม่จะเป็นต้องส่งออกนอกโลกและบางทียิ่งส่งออกไปนอกโลกมันยิ่งถูกรบกวนมากกว่าแบบนี้ก็มีเหมือนกันสนุกดีนะคะก็คืนนี้ใครดูดาวก็น่าจะดูดาวอย่างมีความรู้และก็ความเข้าใจมากขึ้นแต่ว่าในเชิงสุนทริยะดาวก็ จะกระพริบหรือไม่ยังไง ก, ก็ยังสวยอยู่ดีนะคะก็ลองไปดูดาวแล้วก็อธิบายให้เพื่อนๆหรือว่าแฟนได้ฟังดูนะคะก็อย่าลืมนะคะติดตามใดๆในโลกโล้นฟิสิกส์ตอนต่อไปเดี๋ยวเราเอาเรื่องราวของฟิสิกส์สนุกๆบ้างยากบ้างแต่ว่ามาคุยให้ฟังแล้วก็ให้เข้าใจไปด้วยกันแบบนี้นะคะฝากติดตามนะคะ The Standard Podcast นะคะกด subscribe ทาง YouTube แล้วก็ฟังในช่องทางอื่นๆ น, นะคะเป็น podcast player อื่นๆได้เช่นกันเลยนะคะกลับมาเจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีคะ่คะ